การฟังทำการตามการตามเวลากาลินะธรรมสวนังเอตัมังเกลมุตตมังการฟังรมตามการแต่เวลาเป็นองค์คนปรสงสุดกาเดดาธรรมชวนังมาฉากะฉาเอตัมังเกลมุตตมังการสุดนาธรรมตามการ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 ปทักเคนังปะทักขคนังปะทาขเคนังปะทาเขียงเสืลาไปมฮเนเสียงไม่หันเจียงเชลาลอาโมตัดสะพะขวะโตอรหาโตส้มมาซ้มพุทธัดสะทัดสะนะไอ้นถูกต้องจ่ว่าตัดสะซ้มมาส้มพุทธตัดสะไม่ใช่ต่อตัดตัวเต่าไม่หัน ต่อเตาเป็นเป็นธธงพัทสกาเมสุวมชาจลาไม่ใช่ไม่ใช่สาลาการเมสุเมชาจลาเวะมานิเมสสลาสลาสล า, าว่ า, าให้มันถูกต้องอยให้มันเพี้ยนไปกาสาวิปริตแล้วก็ไม่สมบูรณ์เย็น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 อหมีสติดูกายกายานุปจนนาสติปัฏฐานมีสติเห็นกายสติไม่ใช่ตาสติมัก็ไม่ใช่อะไรมันเป็นทั้งกายทั้งใจให้มันเป็นตัวรู้ก็าปล่อยจนไหนที่มันจะเกิดความรู้ที่เป็นวัตถุเอากายเอาลมหายใจ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 หัวจับคว้ยใ ห, ใหม่ลัวย่อนไปก่อนเดี๋ยวเพิ่งไปทำกำมนแรงแล้วก็ค่อยเดือดาไปม า, มาไม่เคยเชื่อจิตของเราไม่เคยสอนล้วก็พยศว่ามันคิดจ า, า, างนั้นคิดทางนี้มันนี่อารมณ์เป็นอาการที่เกิดกับจิตมันเคยตัวเคยชินแล้วก็สอนมัน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 เวลานอนขี่หลังโคได้เปูขวีเห็นไหมขี่โ ค, โคเปูขวีนะเวลานอนเรานั่งหลังโคนัค่นปูขวีโตโตโตได้เมื่อได้มีภาระแล้วโคเถิดหมดประโยชน์แล้ว น, นก็เราฝึกตัวเองเวลานอนก็นอนเวลาไปไหนก็อยู่ด้วยกัน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 จากที่เบรการฝึกเราก็เหมือนกันนั่นแหละไม่ใช่จะมาอดเวลามันโกรธไม่ใช่เลยมันโอที่มันฝึกได้แล้วแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นภาระเชื่องแล้วกายใจของเราเนี่ยก็เหมือนกันมันจึงเป็นประเสดเป็นจัดปะเสด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 เป็นโลกเมายาเกิดจากคนไม่มีศีลไม่มีธรรมเหมือนต้นไผ่เป็นด้ามให้จอบให้เสียมมันก็เอาจออาะไว้เสียมมาทวนกอไผ่อีกฝุ่ยไผ่ย่อมฆ่าก่อภัยฉันเลยตางม้าจะดรนก็ฆ่าม้าหัดจะดอเองกล้วยก็ยอมฆ่าต้นก่วยเองไม่ดำหรอกโลกออกผลก็ต้องตาย แต่บาคนไม่เป็นเช่นนั้นงานประเสริฐกว่านั้นเวลเามันหลงไม่หลงร่าอยู่เวลามันโกรธไม่โกรธได้อยู่เวลามันทุกข์ไม่ทุกข์ได้อยู่เว้ามันเกิดเจ็บเจ็บตายไม่ต้องเกิดต้องเจ็บต้องเจ็บต้องตายได้อยู่คือธรรมะคือมันไม่มีอะไรดูแล้วไม่มีอะไรเพรามันเห็นตั้งแต่ได้หลักฐานตั้งแต่กายส่ากาย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 บางทีพาสวดยะถาไปจังเวลาฉันข้าวเวทบาโตจะปกโลนิสโจนิชิโวนิสโตสนโยแปลเป็นภาษาไทยด้วยเป็นของหน้าเกลียดจังยิ่งไปด้วยกันอาเกียนออกก็มีบางคนนะก็พูดยถาไปจังพระหวังโลกมาบอกโอ๊อย่าพาสวดต่ของพ่อมันอาเกียนมันชีเเีย่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 ยิ่มยิ่มจากน่อยเปลี่ยนทิศทางมันร่อนมันเป็นเย็นจากน่อยไปมามีนิสัยได้ง่ายๆนม่าาการฝึกตนสอนตนนะเราจริงๆเราจะไม่มีแล้วเราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันนะเราคนเดียวนะก็ไม่หงัดสาให้มันเป็นเสียกวก็จะเป็นภรรยาไป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 อนิจจมาเป็นปัญญาอนัตตมาเป็นปัญญาอนัตตมาเป็นทุกข์เป็นโทษเราเฉยใจร้องให้เพราะอนตะัตตเราเฉยใจร้องให้เพราะอนิจจังในความไม่เที่ยงในควาไมไปทุกข์ในสิ่งทั้งหลายท่านเจ้าเอาเรื่องนี้ว่าเป็นนิพพานไม่ใช่เอามาเป็นปัญหาเป็นปัญญาไปเลยเห็นเรื่องนี้แท้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 เราเห็นความไมเที่ยงต่อเมื่อแต่เท่าวนนางชิรีมาสมัยครั้งปฏิการมีชื่อชิริบาหลายคนนะแต่ว่าคนงามนางชิริมหาายาราะเทวีของพระเจ้าสุโทโธท้าชิริมหาายานางชิริมามีหลายคน ชอบสวยชอบงามเป็นอรคระดีสีของพระเจ้าพิมิสานเลยใช่ไหมแต่ว่าพระเจ้าพิมิสานชวนไปวัดไม่อยากไปก็จะเศร้าหมองอยู่ในห้องตกเนื้นแต่งตัวอยู่เสมอสวยงามเอาเจ้าพิมิสานก็ลำพันเรื่องสวยควาสวยงามของปีรุวันให้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 พระเจ้าพิมสารก็กลัวพระเจ้าพาิมสารจะชอบคนนั้นมากกว่าเราอิจฉาจงมาเบาเย็คนงานก็ดูไปดูไปก็แก่ลงแก่ลงแก่ลงแก่ลงแก่งกหน้าเหี่ยวหน่องหยนหน้องหยอนหงอกออกมาหญิงกลางก็ตายไปแกเหม็นเน่าเปิดนิมิตมา การดูโฟังกลองสิริมาสะดุ้งขึนมาโอ้เราเนี่ยจะมาเพลินอยู่ในความงามของเราไหมไม่ต้องแก่ต้องเท่าต้องเก็บต้องต่อหันมาเศร้าหมองสรุปใจว่าต้องแก่ต้องเก็บต้องต่อแน่นอนจะงามขนาดไหนเพิไปไม่ได้เป็นเกิดนิมิตขึ้นมาโดยจด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 ตู้สึกตัวไว้จะให้มันหลงขนาดนั้นเสียเวลาแล้ ก, ก็อจะหลงในความรักมันเกลียดก็อจะหลงในความเกลียดมันสุข ก, ก็จะหลงในความสุขมันทุกข์ก็อจะหลงในความทุกข์วันนี้ก็เป็นวันธรรมสวตนะิเป็นข้าวกายศาสตร์ตาษากลางๆหรือว่ากายศาสตร์ตาจาภาคเหนือระอว่าฉลา ก, กพัด ภาษาทางใต้เรียกวบุญตายายใช่ไหมก็อยู่ทางใต้ไหบุญตายาย่้าทางตอนเหนือของเราล่ะสลักกพัดงานบุญวันนี้พระต้องเอาล่อน้ามเขียนของเข้าวัดกันแล้เวเจอมึงเลยเนี่ยก็ไม่ทำมันเดียวนะกพระพระมีน้อยคนศรัทธา้างบ้านหนึ่งสองล่อยสามรอยหลัลงคาเรือน